เวลานั่งกระสวดจะเข้ามาตรงเข้ามาอย่างนี้เข้ามานั่งอย่างนี้ผ้าตรงอยู่อย่างนี้ต้องถาวายผู้รับอย่างนี้อันนี้เป็นต้นนะแต่เวลาเรานั่งสวดกระถินถ้าเป็นไปได้กันะผ้าต้องปิดเท้าของตัเองเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะปิดปิดเท้ามันเรียบร้อยนะเพราะมัน อ, อยู่ในชุมชนสาธารณชน น, ะนื้อสิ่งเหล่านี้เขาขอให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 อันนั้นต้องออกเดือนสิบสองเพนตนะออกพรรษายังไม่ได้ละวันเดือนสิบเพนตมีองค์หลุดชุดท้ายนะต้องออกเดือนสิบสองเพนต์ยังคอยภารณาออกพรรษาออกทีหลังเพื่อนอันนี้เพราะว่าเข้าพรรษาหลังอันนี้คือพระวินัยเราต้องตามทําตามหลักทำวินัยเพราะทำวินัยไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางไว้แล้วอย่างที่ผมอ่านอธิกรณ์สมทะเจดอย่างนั้นแหละ ه, การตัดสินทำวินยัยตัดสินด้วยอย่างไรอันนี้เราก็ต้องคิดเอาหลักวรฒนวินัยมาเป็นกระจกเงาที่พวกเราจะพิจารณาเรื่องอธิกรณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องพิจารณาตามนั้นอันนี้ก็เหมือนการแลการดูด้วยกันเราก็ต้องมีวินัยเป็นเครื่องคุ้มครองสินและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นอันนี้คือ ท่านพูดอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนเพราะว่าเราต้องเคารพกฎหลักพระธรรมวินยัยถ้าว่าเราไม่มีหลักพระธรรมวินยัยคุ้มครองพระไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีวินัยแล้วต่างควรก็ต่างอยู่ใครมีความคิดเห็นอย่างไงก็ผ่ามไปตามที่ตัวเองมีความคิดเห็นมันก็ไปถูกต้องนะเราต้องพูดปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินยัย ทำพินัยนี่ก็ไม่ได้อยู่กับผู้ใหญ่ผู้น้อยเอบางทีผู้ใหญ่อย่างผมมันอาจจะจำละเดือนก็ได้แต่ถึงยังไงเวลาจะพูดไปพวกก็พูดตามหลักแต่ถ้าว่ามันยังคาดเคลื่อนไหมพวกท่านทั้งหลายก็ต้องเอาอ่านในพระวินัยเข้ามาดูอีกเนะี่อถ้าพวกท่านดูในหลักพระธรรมวินัยมันแม่นนะออจากนั้นก็มาพูดกท่านอาจารย์ พูดวันนั้นเน่ะตรงนั้นตรงนี้มันไม่ค่อยถูกนะ ท, นนทําวินัยวินัยต้องไปอย่างนี้นะนี่นะเออใช่เราก็พูดคาดเคลื่อนไปต่อไปก็ต้องได้ระวังอีกอืม้าเป็นบทเรียนอีกเหมือนกันเพราะนั้นหลักธรรมวินัยไม่ได้อยู่กับผมนะมันอยู่กับผู้ที่ศึกษาผู้ตั้งใจฝ่ายการศึกษาผู้ต้องการเรียนรู้เออถ้าเรียนรู้ขึ้นมาแล้วก็นั่นนะบอกได้บางทีผมเนี่ยมันอาจเ จ, จ็จจาความจําเลยละเลน แต่กับผมก็พยายามพูดที่ว่าที่ว่ามั่นใจในการพูดแต่มั่นใจของผมอาจจะปิดคัดเคลื่อนก็ได้ความจำา ใ, ใครจะรับรองร้อยเปอร์เซ็น์ได้ยังไงมันไม่มีใครที่จะรับรองว่าข้าพเจ้าจะไม่ลืมคงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ความลืมมันรับรองไม่ได้หรอกมันจะลืมมันลืมหมดเลยนะทำยังไงแต่ว่าความเคยชินเคยปฏิบัติม า, าเคยชินอยู่ในหลักทําวินัยนี้ เคยศึกษามาอย่างนี้จนเคยชินแล้วอันนั้นก็คือความเคยเคยชินที่พวกเราจะต้องปฏิบัติตามศีลและวินยัยที่พวกเราเคยศึกษาและปฏิบัติมาจนเป็นอาจินอย่างนั้นเอะเราเหยีย่างที่ว่าเราจะไม่ยืนปัจสะเลยอย่างเนี้พอเห็นแล้วก็ต้องนัง่งถ้าเราไม่เจ็บป่วยถ้าเจ็บป่วยมีความจําเป็นเราก็รู้ว่าเอออันนี้ข้าไปเจ้าเจ็บป่วยไม่สามารถที่จะนั่งได้ มันก็ถูกต้องตามพระวินัยอีกเหมือนกันเพราะให้ยืนปัจวะได้เมื่อเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยยืนอุจจาระยืนปัจวะได้อย่างเนี้ยอันนี้ก็คือเราก็ต้องทําตามวินัยอีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าเราไม่เจ็บป่วยเราก็ต้องนั่งฮะอันนี้มันเป็นอา จ, จินมันเป็นเรื่องราวที่เราล่องปฏิบัติมาตั้งแต่วันเราบวชมันมันรู้เองทั้งหมดะการอยู่การฉันก็ดีการ ไปการมาก็ดีเรื่องพวินัยก็ดีการตัดต้นไม้ก็ดีการผ่าของเขียวซึ่งเกิอดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ก็ดีอย่างนี้มันคล้ายๆว่ามันเป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นอาจินหรือว่ามันเป็นเรื่องราวที่เราได้ศึกษามาแล้วปฏิบัติมาแล้วคิดขึ้นมาเวลาเราก็ดูได้ไรว่านอมันผิดวินัยนะมันผิดศีล น, นะแหมพออะพอใหรเพะเราทามาจนเป็นอาจิน เราทํามาจนเคยชินต่อหลักทําคําสอนของพระรจานั้นเราจะล่วงละเมิดไปได้เพราะเรารู้แล้วนะอันนี้ก็คือวินัยที่เราศึกษาศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดของพระนะแต่บางครั้งอาจจะมีเรื่องพระวินัยอบับทุกกฏนะหรือว่าวินัยบางอย่างที่มันคาบเกลียวกันอย่างเพศสัตว์จะเนี ผมหนึ่งยังแยกไม่ออกมันกันไม่รู้จะเอาจุดไหนไมาแยกกันอีกเรื่องวิัยตัวนี้รู้สึกว่าคุมเคือหมันกันเพราะมันยุคนั้นสมัยนี้ตามให้จริงรับประเคหเพสัตเจ็ดวันเนี่ยบางทีมันก็เข้าน้ำตาลบ้างบางทียาเม็ดอย่างนี้บางเคลือบน้าตาลบ้างบางทีมันอาจจะมีส่วน กับน้ำตาลบ้างแต่มันก็อยู่ในขวดก็ไม่ถึงกับมันจะเสียหายอะไรแต่ที้เราก็มาพิจารณาถึงพระในกลางพุทธกาลพระปิรินทรวัตซาพระปิรินทรวัตรวัตซาเนี่ยท่านได้รับเอธะค่ะว่าเป็นที่รัก เคารพของเทวเทวดาทั้งหลายท่านเป็นที่เคารพของเทวดาทั้งหลายได้รับเอธะทะาจากพระพุทธเจ้าคือพระพิกิรินทวชจ้าเนีท่านเป็นพรามแต่ท่านก็ได้ตั้งความปรารถนาในครั้งพระพุทธเจ้าปทุมุตระจากนั้นท่านก็ บ, บำเพ็ญเห็นพ ร, ระพุทธเจ้าปทุมุตระตั้งภิกษุองค์หนึ่งในศาสนาของพระพุทธเจ้าปทมมุตระ เป็นผู้เลิศกว่าปิสุทั้งหลายที่ว่าเป็นเป็นที่ที่รักของเทวดาทั้งหลายจากนั้นท่านก็บําเพ็ญมาเรื่อยๆได้รับท่าน ต, ตั้งความปาฏปราชนาในใจอย่างนั้นผลนิจจุต์ท่านก็มาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เป็นสัตว์เกิดมาเป็นพราหมณ์แล้วก็มาบวช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 เออจะไปไหนถอยเอามาเข้ามาเนี่ถอยเอารับอันนี้ไปถอยใลักษณะนี้เออแปลว่าถอยคํานี้แปลว่าติดพบติดตาของท่านเลยว่างั้นทถอะพระสงฆ์ทั้งหลายก็เอ้ทําไมท่านว่าพระพิรินทวัชชาเนี่ยเป็นผู้เป็นพระอรหันต์ทำไมพูดคํานี้ออกมาได้อย่างไงเป็นวาจาที่ไม่สุภาพเออเรียกว่าคนถอย ถามว่าวถอยไปหน้าอลไวะงั้ใครม า, าพรามาในพระถอยฮะก็มามายมนี่ถอยเอาไป ถ, อยไ ป, ถอยไปว่าถอยไปว่าไอย่างพวกเราคงจะเราคนถอยวางั้นต่อมาพระสงฆ์กลับถุนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าปิรินทวัชาเนี่ยของท่านไม่ได้มาพูดออกมาจากท่านจิตใจแต่ท่านติดปากท่านเป็นนิสัยของท่านนิสัยวาชนาเนี่ยพระอาราหันเนี่ยแก้ไม่ตกมีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ว่า ละนิสัยลวัฒนาแต่พระอาราหันเนี่แก้ไม่ตกอย่างพระสารีบุตรเนี่ยเวลาเห็นคลองกระโดดข้ามคลองเห็นคอนไม้กระโดดข้ามคอนไม้พ่อเหตุใด้รพระพุทธองค์บอกว่าน่ยสารีบุตรเนี่ยเคยเป็นลิงมาก่อนติดพพติดชาติแต่นี้พระปิรินทวัตชาก็เหมือนกันท่านเกิดในสกุลพามเกิดมาถึงห้าร้อยชาติติดต่อกันพามเนี่ยิ่งหญิงในสกุล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 ไม่ได้เหมือนกันเถอะทีนี้ท่านวันหนึ่งท่านเดินไปบินธบาทมีโยมคนหนึ่งเอาเขาเอาบรรทุกดีปลีเหมือนกันดีปลีไปขายในเมืองแล้วก็มีถาดมีถาดใบหนึ่งที่คข้ายๆว่าเป็นการโคจรนาในในในกเกวียนของเขาเั้ืน่ะให้คนเห็นว่านี้เขาขายดีปรีนะเนี่ยสั้นนะทีนี้เดินไปนั่งนั่งกเกวียนไปไปพบพระเถระ พระกิรินทรวัชชาเนี่ยท่านก็ถามว่าอันนั้นอะไรคนอะไรไอ้ถอยมันอยู่ได้ทา น, นอะไรไอ้ถอยมันอันนี้ก็โมโหขึ้นมาทันทีคนไม่เจอหน้ากันมันเรียกถอยได้ยังไงเอก็เลยบว่ากันขี้หนูสมณะเไปคล้ายๆว่าเนี่ตามไม่จริงเป็นเป็นปรีดีปรีมัน ง, งั้นเถอะขี้หนูสมณนะไป เออให้มันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ทีนี้ก็พอนั่งนั่งตั้งเกวียนไปพอนั่งเกวียนไปมาเนี่ยมันเหมือนกับขี้หนูเลยว่ะพอมาบี้ดีปลีท่นี่ยบอบบี้ทำไมมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นขี้หนูจริงๆเหมือนอ่ะขนาดในถ่านมันเป็นขี้หนูในเกวียนเป็นยังไงวะพอไปอยู่ในเกวียนไปบี้ดูก็เป็นขี้หนูหมดทั้งเกวียนเนี่ยโทษตายจิบหายเลยเท่านนี่ มันไม่มีใครอื่นนคงจะสมณะองค์ที่ผ่านนี่ไปเมื่อกี้นี่แน่ๆเอยเราว่าบอกว่าขี้หนูเลยทั้งที่เราเป็นไม่เป็นตีปรีเพราะเราโมโหให้ท่านนะท่านบอกมันจงจงเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนละจากนั้นก็จอดเวียนไว้แล้วก็ตามหาท่านเลยนะตามหาท่านแบบเขร่งเครียดอแบบนั้นนะเขาก็ถามว่าคุณจะไปไหน ผมไปตามหาสมณะพระสักยะบุตรนะที่ท่านเจอกันเพราะเหตุไรเพราะท่านไปเจอผมเพราะว่าไอ้ถอยผมก็เลยนึกโมโหในใจผมก็เลยบอกว่าเอ้ยขี้หนูสมณะทั้งที่ถามอะไรในในถาดนะ่ะไอ้ถอยอนแต่นั้นเป็นขี้หนูจริงๆโอ้ยใช่ท่านต้องไปขออาภัยนะมันแล้วไปขออาภาัยทำยังไง ว่าเอาถาดไปเลยเอาถาดตีปลีไปเลยครับไปต่อหน้าท่านพอาะถ้าหน้าท่านเออท่านนวดท่านท่านบอกทำมาอะไรทยไอ้ถอยโอ้ยสัมปณะท่านเลยถาดของเข้าไปเจ้าเนี่ยเป็นดีปลีครับผมเออท่านเออถ้าเป็นจงเป็นอย่างนั้นเออทีนี้ก็พบเป็นอย่างนั้นเลยท่านต้องดูในถาดของท่านเอง มันเป็นดีปรีไหมแต่ปินดีปลีในเกวียนของท่านของกงดีเป็นดีปรีทั้งหมดแต่นี่ก็ได้รับคําชี้แจงจากอุบาสกคนนั้นก็เลยไปอย่างที่ว่านะไปเจอท่านจริงๆไปยืนต่อหน้าท่านท่านกระถามอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ตอบอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ปินดีปลีขึ้นมาก็เลยโอ้เออดีอกดีใจแต่แกก็เลยกลับมาก็แล้วของไปขายทาไม่างั้นเนละดีปรีเต็มเกวียนเป็นขี้หนูทั้งหมดนะเมื่อก็ กิบหายได้ทีเดียวจากนั้นต่อมาท่านก็ไปอยู่ถ้ำในกรุงราชาคือถ้อท่านพระเจ้าพิมพิสารเดินตรวจที่พักของพระสงเกตเดินเข้าไปตรวจการงานท่า น, นไปเห็นพระปิรินทรวัชชะกําลังตกแต่งถ้ำอยู่องค์งเดียวท่านกําลังดูอยู่ท่า น, นก็ถามว่าท่านท่านปิรินทวทวัทวชชะ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 ส่งคนมาช่วยทํทาที่พักของท่านให้ถวายท่านแต่นี่พระปิรินท ร, รวัชชาก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าพิมพิสารมีความประสงค์อยากจะมาช่วยจัดการที่พักในถ้ำให้ข้าพระองค์พระพุทธองค์จะทรงอนุญาตไมหมนอพระเจ้าขา่าพระองค์เ อ, อื้ออนุญาตใทําได้ที่พักในถ้ำแต่ท่านก็เลยกลับมากลับมาพระเจ้าพิมพิสารลืมที่ เพราะท่านมีกิจจุลกิการงานมากเลยท่านคนลืมลืมถึงห้าร้อยวันเหมือนกันเลยห้าร้อวันก็ปีกว่าเน่ยปีหนึ่งมีอยู่สามรอยหกสิห้าวันใช่ไหมอันนี้มันตื่ลืมลืมถึงห้าร้อยวันพระเจ้าพิมพ์ิสารเราเลึกได้โทตายเราได้รับปากกับพระเทเรซแล้วเราลืมจริงๆก็เลยเข้าไปกราบพระเทเรซเลยข้าพับขับพุทธองค์ลืมลืม ได้รับคำไปแล้วเอาถ่าข้าพระองค์จะส่งคนห้าร้อยคนมาช่วยจัดการทำท่าให้พระผู้เป็นเจ้านะจากนั้นก็เลยส่งคนห้าร้อคนเหมือนกันนะมาทำงานช่วยพระเจ้าช่วยพระปิเรนทราวัชชะก็เลยตั้งครอบครัวตั้งหมู่บ้านอยู่อยู่ในหมู่บ้านแห่งงมอบทั้ง500ห้าร้อยคนเลยให้เป็นดูแลเป็นผู้ดูแล พระปิปรินทรวัฒช้าเหมนกันนะแต่ในตระกูลนั้นก่อนเน่ยนะทํางานช่วยตลอดเลยแต่ใ้วันหนึ่งพระปิรินทรวัฒช้าท่านก็ไปบินทบาตในหมู่บ้านเขาพ่อไปบินทบาทไปเห็นอคนจนแต่เป็นคนอุ ป, รรปถัมภ์ปฐาวัดน่ะไปทุกวี่ทุกวันดูแลวัดลูกของเขาหน่อยอยากจะได้อยากจะได้เครื่องประดับเหมือนกันนะ อยากจะได้เครื่องประดับพอเขามีการละเล่นนักขัดนักขัดตะเลิกอย่างเหมือนเดือนสิบสองเพนนะใครก็ว่างานปีใหม่ของเขานะ่ยอยากเด็กเมื่ออยากจะได้เครื่องประดับเข้าไปในงานพัพปิรินทวัดชาเห็นแล้วเด็กมันร้องไห้มาจากจะได้เด็กกําลังวัยรุ่นเหมือนกันท่านก็เลยเหยิบฟางมาสิบเส้นฟางเอา้าเอาเป็นเครื่องประดับซะเด็กคนนั้นก็เลยได้เครื่องประดับมา โอ้ใส่หมวกเป็นหมวกอีกต่างหากแล้ะไปใส่เครื่องประดับในคออีกต่างหากเลยสวยงามเป็นทองคําทั้งหมดทีนี้เขากล่ำเรือเลยเนะี่ยมันออกมาจากไหนคนจนๆอย่างนี้เครื่องประดับอย่างนี้มันต้องไปขโมยออกมาจากในเวียงในวังแน่ๆตอนนี้พระเจ้าพิมพิสารรู้เห็นก็เอา้าไปสืบดิไปจับมาเสียไหมมันไปขโมยของในเวียงวังไปหรือเปล่าเนะี่ย เขาก็เลยจับเข้าไปจับด้วพระเจ้าพระปิรินทรวัชชาเนี่ยท่านก็เลยเข้าไปไปตามเนยเพราะมันมันเรื่องความจริงไงท่านรู้เนี่ยท่านก็เดินเข้าไปไปเจ้าพระเจ้าเสด็จตัเลยไรวเนี่ยเข า, ามีจับมาอย่างนี้พระพระปิรินทรวัชชาท่านก็เลย น, นิลามิตรอปราศาสทองคาให้แก่พระเจ้าพิมพิสารเหมือน นิรมิตให้เห็นเลยพระงั้นพระเจ้าพิมพิสารเห็นโอ้พระผู้เป็นเจ้ามีอิทธิฤทธิ์จริงเนี่ยก็เลยปล่อยเด็กคนนั้นออกมาเลยปล่อยเด็กออกมาเนาะอันนี้เป็นอิทธิฤทธิ์ของพระเถระเองจากนั้นท่านก็ท่านก็ออกมาเลยออกมาจากเมื่อครั้ท่านก็มาพักอยู่ที่วัดจากทั้งคนทั้งหลายเห็นว่าพระปิรินทรวัตรชาเนี่ยเป็นผู้มีบุญวัด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 ไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหนว่างั้นมันคงจะไม่มีขวดมีที่เก็บเหมือนทุกวันนี่ท่านก็มาใบตองกล้วยห่อบ้างเอาไปแขวนไว้บ้างทั้งนมทั้งเนยมีทั้งห น, งทงหนูทั้งข้างคงข้างข้ามีทั้งหมดอะไรมากินแต่นี้พวกญาติโยมเขากับเดินชมวัดว่างั้ น, นไปเดินไปเห็นโอ้โหทำไมสมณะศากยบุตรเนี่ย เอาเพสัตวแขวนพลุงพลังไปหมดเนยใสเนยข้นน้ํามันน้ําผึ้งน้ำอ้อยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเอเหมือนกับเป็นพ่อค้าใหญ่ที่จะขายสิ่งของอย่างนั้นนะไม่สมควรที่สมณะจะมามีของพลุงพลังอย่างนี้แต่ได้เขา้าขอลธนาตีเตียนพระพุทธองค์ทราบข่าวพระสงฆ์ทลายก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าวัวนนี้ลูกศิษย์ของพระเปรินทราวัฒชชาเนี่ย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 ต้องนิสขีย่ยปาจิตติต้องเสียสระสะก่อนจึงแสดงอวบติตกอันนี้คือคือพระวินัยเกิดขึ้นกับทุกชิวของพระปิรินทรวัชชะนีจากนั้นก็ตั้งพระวินัยแต่พระปิรินทรวัชชะเนี่ยทเทวดาเคารพท่านมากรักท่านมากเคารพท่านมากไปมาสาสูทุกวี่ทุกวั น, นพระองค์ก็เลยตั้งท่านก็เลยตั้งให้พระปิรินทรวัชชะ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 ในครั้งพุทธกาลท่านก็เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายและก็พร้อมการที่ผมพูดเบื้องต้นวันนีเรื่องเพศสัตว์ทั้งห้าเนี่ยคือต้นตอเรื่องราวการสะสมเพศสัตว์เป็นอย่างไรนี่ก็คือเพราะปิรินธรวัตชาลุกสิทธ์ของท่า น, นคือไม่สะสมใครเขาว่าเก็บเป็นที่รังเกียจ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 เป็นคีย์ตำนิกของคนทั้งหลายอันนี้ก็คือยุคสมัยนั้นที่ท่านบัญญัติวินยัยมีเหตุซะก่อนท่านจึงบัญญัติวินยัยอันนี้ก็คือสินที่ผมพูดมาทั้งหมดนะั่นคือสินแล้วท่านเป็นข้อข้ออันนี้ก็คือเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยแล้วความสงบพร่มเวญนผาสุขก็จะเกิดขึ้นในสง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 อาราชิตาเป็นผู้ไม่มีความละอายไม่มีศีลอาจรวัตเป็นผู้ไม่มีศินถ้าไม่มีศิลแล้วธรรมจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรศินและธรรมเนี่ยมันต้องเกี่ยวเนื่องกันถ้าเป็นผู้มีสินอยู่ด้วยกันมีความพร้อมเพียงสมัคคีกันไม่บาดหมางกันไม่ระแวงแขงใจกันให้อภัยกันรักกัน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 มั่นใจของเราไม่ได้รับความปล่อยวางไม่ได้รับความสงบเพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นพวกเราต้องคิดนะะไปอยู่ราชฐานที่ใดก็ตามเราไม่ได้อยู่เพื่ออยู่ร้อยวันพันปีเมื่อไหร่เราอยู่เพื่อสั่งสมคุณงามความดีเพื่อแ ส, สวงหาทางพ้นทุกข์ข้าพเจ้าจะไม่ขอมาเวียนไหวตายเกิดในว้อฟ้สงสารใครจะมาจองโลกนี่นกะจองไปเถอะ ข้อใครจะจองหีบจองลงจองพบจองชาติก็จองไปเถอะแต่ข้าพเจ้าเะขอชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของข้าพเจ้าก็แล้วกันถ้าคนคิดว่าขอเป็นชาติสุดท้ายชาตินี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมีแต่มุ่งหวังหาทางพ้นทุกอย่างเดียวมีแต่ปล่อยวางวางที่ไหนวางที่ใจให้อภัยที่ใจวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจ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 เรื่ยงกัเป็นอกุศลแล้วก็เป็นกุศลกุศลคือความคิดที่ถูกต้องอกุศลคือคิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวมันก็ดําเดี๋ยวมันก็ขาวเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยแต่นี่เราจะเป็นของเราได้ยังไงใจของเราเป็นอย่างนี้เราก็ยังไม่เชื่อมั่นเราจึงไม่ยอมรับพอใจของเราเป็นอย่างนี้นั่นก็ทั้งปล่อยกระทั้งเทิ้งขนังใจอีกทิ้งทั้งสองเงื่อนเลยว่ากันเถอะทิ้งทั้งบุญทิ้งทั้งบา ทิ้งทั้งดีทิ้งทั้งชั่วปล่อยวางไม่ยึดมัน่นถือมันก็ทั้งใจนี่นแหละในเมื่อ well, เราทําอย่างนั้นได้เราถึงจะทําม่ได้เราก็พยายามทําทําหลายครั้งต่อหลายหนผลที่สุดมันก็ต้องรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นเรื่อยๆเลยเลยเลยเห็ น, เ ห, น, เ, หนเห็นโทษเห็นคุณเห็นคุณเห็นโทษเห็นโทษเห็นคุณเห็นคุณเห็นโทษอจากนั้นเราก็ปล่อยวางปล่อยวางที่ใจของเราไม่ไปปล่อยวางที่ไหนนะ มักผลนิพพานไม่อยู่ที่ไหนะอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความปล่อยวางนั่นนะ่ะนี่เราขอให้พวกเราทุกๆท่านนะใ่การประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะเพ่งมอกอย่าไปเพ่งนอกให้เพ่งามาหาใจของตนเองถ้าคนที่เพ่งมาหาใจตัวเองนะนะั่นน่ะไม่มีปัญหาเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยมันหยุบหยุดเพ่งแค่นั้นถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นผู้คลองโลกจะเป็นผู้ถูกต้องนยจะเป็นผู้ตัดสินใจของโลกจะเป็น ใหญ่ในโลกเราจะเป็นฮีโร่ของโลกนะ่ะั่นแหละคนนั้นแต่จะแบกโลกเนี่ยจะไม่มีความร่มเย็นเป็นสุขในจิตในใจเพราะไม่รู้จักปล่อยมิถุนักใจอยู่ตลอดเออเพื่อนะเออหน้าหิกหน้า ง, งอมีแต่ความทุกข์ในใจเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางวางก็ให้วางเป็นที่เป็นทางวางเป็นศีลวางเป็นธรรม ไม่ใช่ ว, า, วางแล้วปล่อยป่านแล้วเลยสิ่งที่ชั่วขนเข้ามาฮะหาใจของตัวเองปล่อยความดีออกไปเอาความชั่วเข้ามาอันนั้นไม่ถูกนะปล่อยสวรรค์ไปเอานารกเข้ามาไม่แทนที่อันนั้นไม่ได้ต้องปล่อยนรกออกเออเาสวรรค์เข้ามาจะได้ก็ปล่อยทั้งสวรรค์อีกปล่อยทั้งนรกอีกวางทั้งนรกวางทั้งสวรรค์อีกนั่นแหละอันนั้นคือวางแท้แน่นอนแต่อันดับแรกเราก็ต้องวางความชั่วซะก่อน คิดความดีไว้ก่อนต่อไปถึงที่สุดแล้ววางข้าตั้งความดีวางข้าทั้งความชั่ววางข้าตั้งใจนึกคิดของตัวเองนัน่นแหะใจของเราจะเป็นใจที่บริสุทธิ์ผุดพองความโง่อยู่ที่ไหนความฉลาดมันเกิดที่นั่นเมื่อเรารู้นะเมื่อ เ, เราไม่รู้หนังสือแต่ก่อนเราไม่รู้หนังสือเราก็โง่แต่เรารู้หนังสือขึ้นมาเราก็รูนะ้เราก็ฉลาดนะพอเรารู้แล้ว มันเกิดมาจากที่ไหนความโง่โง่กับความฉลาดมันเกิดมาที่เดียวกันในเมื่อแต่ก่อนเราไม่รู้แต่มัด น, นี้เรารู้แล้วกับความฉลาดเกิดขึ้นตรงนั้นอันนี้ก็เหมือนกันแต่มรรคผลนผิพพานสมัยก่อนก็เป็นอวิชชาอยู่ในจิตใจแต่พอเรารู้แล้วกับเป็นวิ ช, ชาเอเป็นวิ ช, ชาคือความรู้แจ้งเห็นจริงจากนั่งก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่น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 ทั้งหลายทั้งปวงอันนั้นคือฐานถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นฐานไม่เป็นต้นเป็นลำแต่จุดหมายปลายทางของเราจริงๆก็คือความพ้นทุกข์ไม่ขอมาเวียนไหวตายเกิดอีกขอให้พ้นทุกข์นิพตะสารอันนั้นคือจุดประสงค์จุดในใจของเราพอเรามาเกิดอีกกนอย่างว่าเกิดมาพบหน้าชาติหนาก็าไม่แพ้ชาตินี้หรอกเกิดมาชาติไหนจะต้องกินข้าวเออกินข้าวแล้วก็ต้องไปท่าย กินน้ำล้วก็ต้องไปปัสสาวะตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องไปนอนนอนแล้วก็ต้องตื่นมาก็ต้องทําการทํางานต้องหายใจต้องเป็นอย่างนี้ทุกภพทุกชาติเพราะนั้นพวกเราเกิดมาพบในชาตินี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วน่าจะเสาะแสวงหาไม่มาเวียนไหวาตายเกิดตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าให้ชําระใจพระพุทธเจ้าให้ชําระใจให้ดูที่ใจถ้าไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในใจแล้วนะใจบริสุทธิ์หลุดพ้น จบถ้ายังมีกิเลสอยู่ไม่จบนะจะต้องมันมีเชื้อจะต้องบกฟุ้เวียนมาเกิดอีกเป็นอนันตการนะการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติในการพูดในการแนะแนวให้แก่มูพกเพื่อนได้ฟังได้ศึกษาถ้าตอนนี้ไปนั่งสมาธินทะี่นี่นะ